หลวงพี่เขาลือกันมาจากบางกอกว่าที่คอนแก่นมีพระยืดเหรียญได้ในเที่ยวนำข่าวมาบอกในเย็นวันหนึ่งยืดเหรียญอะไรของเองละ่ะกูดมาข้าก็ยังไม่เคยได้ยินสักทีพระเจริญถามแม้หลวงพี่นี่ไม่ทันสมัยซะบ้างเลยขนาดไปอยู่ใกล้ชิดเมืองบางกอกมาตั้งหกเดือนยังไม่รู้เรื่องอีก ในเที่ยวค่อนขอดเอาละเอาละอย่ามัวพูดมากนหนเอ็งลองบอกมาสิว่ายืดเหรียญอะไรของเอง็งคืออย่างนี้พี่ชายในชาญทำท่าขึืงขังและจึงเล่าว่าเขาลือกันมาตั้งแต่บางกอกจนถึงสิงบุรีว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่นท่านสอนวิชา ย, ยืดเหรียญได้ก็เหรียญห้าสิบสตางค์นี่แหละ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 พระหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยก็ใช่นะสิผมถึงอยากส่งหลวงพี่ไปเรียนแล้วเอามาสอนผมเราจะยืดเหรียญขายกันรับรองรวยแน่คนหัวกันค้าแน่แล้วคนซื้อก็จะเอาเหรียญไปทำอะไรละ่ะคนเป็นพระยังสงกาเขาก็เอาเลขที่อยู่ในเหรียญไปแทงหวยสิครับเห็นว่า แทงถูกสามงวดสีงงวดติดติดกันเลยหลวงพี่บ ร, รีณ น, นะครับพวกเราจะได้ร่ำรวยกันเสียทีนะครับนายเที่ยวขยันขยอยงั้นก็ต้องรอให้ออกพรรษาก่อนหลวงพ่อช่อจะว่ายังไงบ้างก็ไม่รู้ข้าไม่ค่อยได้อยู่วัดเลยท่านปลารลบท่านจะว่าอะไรก็หลวงพี่หาเงินให้ครบส0สิบมืนแล้วลำพังท่านเอง จ้างก็ไม่ได้สร้างโบทถึงยังไงท่านก็ต้องกริงใจหลวงพี่อยู่ดีนั่นแหละหลวงพี่ก็เรียนท่านสิว่าจะไปหาวิชาความรู้เรื่องอะไรจะมาอยู่ให้เขาใช้ช่วยมากๆแล้วที่เองพูดมาก็ถูกคนเรานี่นะจะเป็นเครือขัดกอดตามเป็นพระกอดตามถ้าเราช่วยเขาได้เขาก็ว่าเราดีช่วยเขาไม่ได้เขาก็ว่าเราไม่ดี เหมือนที่สุนทรพูดท่านสอนไว้ว่าอันข้าไทยได้พึ่งเขาจึงรักแม้ถอยสัก์สิ้นอำนาจวาสนาเขา้านายนี้มิได้อยู่คู่ชีวาแต่วิชาช่วยตนจนวายปราณข้าเห็นจะต้องไปเรียนวิชาที่เองว่าเส้นแล้วพระหนุ่มพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยดังนั้นเมื่อออกพรรษา พระเจริญจึงลาสมพานวัดพรมบุรีเพื่อไปหาวิชาท่านนั่งรถโดยสารจากสิงห์บุรีไปลงที่ลบบุรีจากลบบุรีก็ต่อรถโดยสารไปยังนครราชสีมาคำลงท่านปักกรดนอนที่นั่นรุ่งเช้ามีชาวบ้านมาถวายบิณฑบาตจากนครราชสีมาท่านได้อาศัยรถกระบะของบุรุษผู้หนึ่ง ที่กำลังจะเดินทางไปขอนแก่นเพื่อค้าขายถึงขอนแก่นแล้วท่านก็ได้เสาะหาที่มาของข่าวลือกระทั่งได้พบอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอายุ84ปีเขานิมนต์ท่านไปพักที่บ้านซึ่งอยู่ในป่าไกลจากตัวเมืองหลายสิบกิโลเมตรต้องนั่งเกวียนไปหนึ่งวันเต็มๆพระคุณเจ้า เดินทางจากสิงบุรีมาที่นี่เปิดจุดประสองค์อันใดครับอดีตผู้ใหญ่บ้านวัย8ปสถามอาตมาจะมาพิสูจน์ข่าวลือไหนโยมข่าวลือกันไปถึงสิงบุรีและบางกอกว่าที่ขอนแก่นมีพระยืดเหรียญได้เห็นว่าขายเหรียญละหมื่นสองหมื่นอาตมาก็อยากจะมาเรียนวิชากับท่านจะได้ไปช่วยญาติโยมให้ร่ำรวยกัน ภิกษุวัยบห้าบอกจุดประสงค์ของการมาอดีตผู้ใหญ่บ้านใช้เวลาไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าข้าวลือนี่มันแปลกนะครับพระกุณเจ้าพอเล่าตดต่อกันไปจากคือเป็นศอกจากซอกเป็นวาจากวาเป็นเส้นจนแทบจะนำมาประติดประตอกันไม่ได้บางเอิญ ผมรู้เรื่องนี้ดีจึงเข้าใจที่ท่านพูดเรื่องเป็นยังไงล่ะโยมภิกษุอาคันตุกะอยากรู้พระกฏเจ้าโชคดีนะครับที่มาเจอต้อนต่อของเรื่องเขาพอดีไม่เช่นนั้นก็คงจะลืกันออกไปอีกเอาล่ะครับผมจะเล่าถวายแล้วบุรุษสูงอายุจึงเล่า ว, ว่าพร้อมเป็นลูกทันคน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 พจารณาดูกล่องยาทองเหลืองมีหูสองข้างสำหรับใช้เชือกร้อยผูกกับเอวมีฝาเปิดปิดได้มีบุหรี่เป็นมวนๆอยู่ในกล่องและมีไฟเช็คทำด้วยหินอยู่ก้อนหนึ่งมีเหล็กไว้ตีให้เกิดไฟสำหรับจุดบุรหรี่สูบบุรุษวัย8ปดอธิบายว่ากล่องยานี้ผมได้รับเป็นมรดก จากพ่อผมพวกพี่ๆเขาเอาสมบัติกันหมดผมเป็นลูกคนเล็กก็ได้แต่กลองยาที่พ่อได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่หกสมัยที่เป็นกำนันแล้วไปเกี่ยวข้องกับการยืดเหรียญยังไงอาตมาใจร้อนอยากรู้เรื่องเร็วๆท่านเร่งเรา้าใจเย็นๆรับประกุลเจ้า ผมกำลังจะเหล่าถวายอยู่เดียวเนีพระหนุ่มจึงฟังอย่างตั้งอกตั้งใจโยมผู้เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าในกลองมีเหรียญโยเหรียญหนึ่งซ่อนอยู่กลนกลองซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตกระทังพระทันทักผมจึงได้รู้พระที่ว่ายืดเหรียญได้เนอะหรือพระเจริญซัก ไม่ใช่เรื่องยืดเหรียนหรอกครับผมว่าเป็นเรื่องแปลกคือพระองค์นี้ท่านจะมาปักกลอยู่ที่ตายตนไซหญ่เป็นเวลาหนึ่งเดือนของตุกๆปท่านจะมาอยู่กลางเดือนสามเพราะกลางเดือนสี่ก็หายไปไม่ทราบว่าท่านไปไหนไม่มีใครเห็น พระอคันตุกะรีพูดขึ้นอย่างยินดีว่านิโกกลางเดินสามแสดงว่าท่านยังอยู่ครับกลางเดินสี่ท่านถึงจะไปพรุ่งนี้ผมจะพาพระคุณเจ้าไปกราบท่านท่านอยู่ในปา่าห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสี่กิโลเมตรพระคุณเจ้าเดินไหวนะครับแน่นอนอาตมายังหนุ่มนัน่นว่าแต่ว่า โยมจะเดินไหวหรือเปล่าถ้ายัางไงก็ช่วยหาคนพาอาตมาไปก็ได้พูดอย่างเกรงใจไว้ครับท่านผมเดินมาตั้งแต่เป็นเด็กสมัยที่ผมอายุแปดกาขวบผมไปนากับพ่อไปช่วยพ่อเลี้ยงควายผมก็ได้อาศัยข้าวกลนบาตรท่านกินผมเห็นท่านทุกปีตั้งแต่เป็นเด็ก จนอายุแปิบสีย่างแปบห้าเข้าปีนี้แล้วก็เจ็สิบกว่าปีมาแล้วนะสิท่านเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่าแล้วท่านไม่แก่บ้างหรือพระหนุ่มสงสัยเป็นองค์เดียวกันแน่นอนค ร, รับรูปร่างหน้าตาท่านไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ผมพบท่านครั้งแรกจนปัจจุบันท่านก็ยังเหมือนเดิมผมแปลกใจเหลือเกินว่า ไม่ทันถึงไม่แก่แล้วทำไมท่านถึงมีอายุยืนผิดปกติแล้วโยมเคยคุยกับท่านไหมท่านไม่พูดครับแต่จะนั่งหลับตาอยู่ตายตนใสแขวนบาทไว้ที่กิ่งใสพอเพินท่านก็จะปลดบาดลงมาและฉันอาหารในบาทผมก็ไม่เคยเห็นใครนาไปถวายสักทีไม่รู้ว่าอาหารมาได้ยางไร แต่ตอนนั้นผมยังเด็กเกินกว่าที่จะสงสัยผมก็จะไปนั่งคอยทันพอทันชั้นเสร็จก็จะเทอาหารกลบนบาดมาให้ผมแล้วท่านกนล่างบาดแขวนไว้ที่กิ่งใสตามเดิมญาตโยมไปหาท่านก็ไม่พูดด้วยแต่จะนั่งหลับตาอยู่อย่างนั้นไม่มีใครสนใจท่านกระทั่งผมโตแต่งงานมีลูกมีหลาน ท่านกุมันั่งที่นันทุกไปไปละหนึ่งเดือนอย่างที่ผมเรียนให้สาบแล้วแล้วยงไปหาท่านบ่อยไหมไปทุกปีแหละครับผมรู้สึกว่าท่านมีบุญคนที่ให้ผมกินข้าวกล่นบาทสสมัยผมเด็กๆและกนหน่าแปลกที่ท่านเกิดพูดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองหลังจากที่ไม่พูดมาเจ็ดสิบกว่าไปจนผมนึกว่า ท่านจะไม่พูดเสแล้วท่านพูดว่ายังไงล่ะโยมพระหนุ่มถามอย่างสนใจท่านบอกผมว่าโยมมีของดีอยู่ในกล่องยาไม่น่าจะมาทิ้งผมก็นึกเอกใจว่าของดีอะไรเพราะลืมไปแล้วผมเช็คกล่องยานี้มาตั้งแต่พ่อให้พอยาหมดก็ใส่ยาไม่ได้สังเกตว่าที่ก้นกล่องนั้น มีเรียนอยู่อันหนึ่งกระทั่งพระทันบอกท่านว่าเอาไปบูชาเสียลูกหลานจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นเรียนพระราชทานจากองค์พระราชาที่ทรงให้บําเหน็จรางวัลแก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ทํางานดีปกปักรักษาราชฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขจึงพระราชทานเรียนนี้ผมก็ดีใจ พอกลับบ้านก็มาเปิดกล่องยาดูก็พบเหรียญซ่อนอยู่ที่กล่องแต่ไม่ใช่เหรียญหาสิบที่เขาเอาไปลือกันหรอกนะครับแล้วเป็นเหรียญอะไรล่ะโยงพระนุ่มถามเป็นเหรียญพระราชทานจากองค์พระราชาครับในเหรียญมีเลขอยู่สามตัวผมก็เอาไปเล่าให้ลูกล้านฟัง พวกเขาก็เอาเหล็กสามตัวนั่นไปแทงหว้วปรากฏว่าถูกติดติดกันถึงสามงวดก็เลยเล่าลือกันต่อตไปถึงบางกอกแล้วในที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าเรียนยืดได้ผู้ใหญ่บ้านเล่าถึงต้นสายปลายเหตุแสดงว่าเรียนยืดได้ไม่มีใช่ไหมถามอย่างผิดหวัง เรื่องที่ผมเล่ามาก็มีเท่านี้แหละครับความจริงมีอยู่นิดเดียวแต่พอเล่ากันปากต่อปากจักคือกอกลายเป็นซอกจักซอกอกกลายเป็นว่าอย่างที่ผมกลาบเรียนมาตั้งแต่ตนพระเจริญยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดท่านยังมีความหวังว่าพระองค์นั้นน่าจะต้องมีวิชา ย, ยืดเรียนได้รอให้ถึงวันพรุ่งนี้ซะก่อน จึงจะพิสูจน์ว่าจริงนางข่าวลือหรือไม่รุ่งเชา้าหลานสาวผู้ใหญ่บ้านเป็นคนทำอาหารมาถวายหล่อนรู้สึกชอบพระหนุ่มตั้งแต่แรกเห็นนับแต่เป็นสาวเป็นนางมาจนอายุได้18ปปียังไม่เคยพบใครที่หล่อเหลาเท่าพระหนุ่มรูปนี้ วิธีเดียวที่จะทำให้ท่านสนใจก็คือปรุงอาหารให้สุดฝีมือเข้าตำราสเสน่ปลายจะหวักผัวรักจนวันตายหลอนตื่นตั้งแต่ตีสี่ถือไฟฉายเข้าไปในเล้าไก่จับไอ้โต้งมาตัวหนึ่งจัดการเชือดคอและต้มน้ำลวกเพื่อถอนขนเสียงไอ้โต้งร้องออกออกตอนถูกเชือดได้ยินไปถึงหูของพระเจริญท่านรู้ดีว่า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 เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้เสือดาวและเนื้อเสือเหลืองเนื้อสัตว์นกนี้ฉันได้แต่ต้องปรุงให้สุกเสียก่อนและต้องอยู่ในเงื่อนไขสามประการคือไม่เห็นไม่ได้ยินและไม่รังเกียจดังนั้นการที่ยมหลันสาวผู้ใหญ่ อุตสาหค่าไก่ปรุงอาหารมาถวายแม้ท่านจะไม่เห็นหากก็ได้ยินและรังเกียจว่าเขาจงใจฆ่ามาเพื่อถวายท่านถ้าท่านฉันก็จะต้องอาบัตจึงตั้งใจว่าจะไม่ฉันอีกประการหนึ่งท่านคิดว่าได้สร้างกรรมทําเวรกับสัตว์เหล่านี้มามากจึงตั้งปณิธานว่าจะไม่ยอมฉันสัตว์ปีกอีกต่อไปจนตลอดชีวิต หากไม่มีอะไรจะฉันนอกจากเป็ดไก่ท่านก็จะยอมอดจะไม่ยอมเสียสัจจะเพราะปากท้องเป็นอันขาดดังนั้นเมื่อถึงเวลาฉันท่านจึงฉันข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับแจ่วไม่แต่ต้องไก่ย่างซึ่งย่างมาจนเหลืองน่ารับประทานสาวน้อยวัยสิปอดถามไม่ได้ว่าลุงพี่ทําไมไม่ฉันไก่ย่างลจะจ๊ะ ดิฉันทำสุดฝีมือเลยชิมสักหน่อยก็ยังดีไม่เช่นนั้นดิฉันก็เสียใจแย่อตมาไม่ฉันรกโยมเพราะได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ฉันสัตว์ปีกท่านตอบตามตรงหรือจะ๊ะถ้าเช่นนั้นดิฉันจะไปปิ้งปลาเค็มมาถวายท่านฉันปลาเค็มได้ใช่ไหมจะ๊ะหลอนถามไม่ได้หลอกโยม ออกชื่ออาหารอย่างนั้นอตมาฉันไม่ได้ทำไมละจ๊ะเพราะการถวายอาหารพระแล้วระบุชื่ออาหารทํานองเชิญชวนให้ฉันถ้าท่านฉันถือว่าผิดวิ น, นัยโยมจําไว้เลยว่าเวลาถวายบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ให้บอกแต่ว่าเป็นบิณฑบาตไม่ต้องระบุว่าต้ม อ, อะไรแกงอะไร เพราะถ้าพระฉันจะเป็นอาบัติโทษท่านถือโอกาสสอนสาวน้อยบุญรวมเอ็งออกไปได้แล้วปล่อยให้ท่านฉันตามอัธยาศัยเถอะผู้ใหญ่บ้านบอกหลานสาวอย่างรำคาญทำไมละปู่ก็ข้าห่วงท่านกลัวท่านจะฉันไม่ลงนี่นาะหลานสาวเถียงแต่ปู่ว่าท่านจะฉันไม่ลง ก็เพราะความห่วงของเองนี่แหละทางที่ดีเองรีบออกไปเสีเร็วๆไปสิเมื่อถูกผู้เป็นปู่ไล่เช่นนี้หลานสาวจึงทำท่ากระฟัดกระเฟียดออกไปนั่งดูอยู่ห่างๆพระเจริญฉันได้สองสาคำก็ล้างมือยกขันน้ำขึ้นดื่มเป็นสัญลักษณ์ว่าอิ่มแล้วผู้ใหญ่บ้านคิดว่าหลานสาวคงจะเป็นสาเหตุให้ท่านฉันไม่ลง จึงรีบพูดแก้ตัวแทนหลานว่าพระคุณเจ้าอย่าถือสานางบุญรวมมันนะครับมันคัดคัดเกินนอย่างนี้มันนานตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแม่มันตายตั้งแต่คลอดมันใหม่ๆส่วนพ่อมันซึ่งเป็นลูกชายผมก็ไปได้เมียอยู่บางกอกไม่เคยกลับมาดูมันแล่มันเลยผมก็เลี้ยงมันไว้เอาบุญ อาศัยเห้มันหงข่าวให้กินตักน้ำให้อาบภิกษุวัย25สิบห้าได้ฟังเรื่องราวของสาวกํมพรา้าก็ให้รู้สึกสงสารจึงพูดให้กำลังใจว่าดีแล้วเหลยโยมจะได้ตอบแทนบุญคุณคนที่เขาเลี้ยงพ่อของเรามาคนมีความกะตันอยู่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่พ่อดีฉัน เขาไม่เคยเลี้ยงดูดิฉันเลยจ้ะลุงพี่นี้ไปมีแม่ใหม่อยู่ที่บางเกอกเขาคงมีลูกใหม่หลงไหลได้ปลื้มจนลืมดิฉันพูดแล้วก็ทำท่าจะร้องไห้พระหนุ่มจึงปลอบใจว่าเอาเถอะทำความดีเข้าไว้สักวันหนึ่งความดีจะตอบสนองคิดเสว่าเราคงจะทำกรรมไม่ดีไว้ในชาติก่อน จึงต้องใช้กรรมในชาตินี้ขอให้อดทนทำความดีต่อไปแล้ววันหนึ่งโยมจะได้พบกับความสุขความเจริญขอให้เชื่ออตมมาสักครั้งจ้าดิฉันจะเชื่อหลวงพี่แล้วันหลังหลวงพี่ต้องแวะมาเยี่ยมดิฉันนะจ้าพระหนุ่มไม่ได้รับปากด้วยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาอีกหรือเปล่าสิงห์บุรีกับขอนแก่น ช่างไกลกันลิปลับนั่งรถเป็นวันวันกว่าจะถึงหลังจากพระเจริญฉันพัฒหารเสร็จผู้ใหญ่บ้านกับหลานสาวจึงลงมือรับประทานพระหนุ่มสังเกตว่าบ้านนี้มีกันอยู่เพียงสองคนคือปู่กับหลานอยากรู้ว่าพัญญาของแกไปไหนจึงถามโยมอยู่กันสองคนหรือ โยมผู้หญิงไปไหนเสละ่ะท่านถามเมื่อเขารับประทานอาหารอิ่มกันแล้วเขาตายไปแล้วครับพระคุณเจา้าเพิ่งตายไปเมือ่อหกเจ็ดเดือนมานี้เองพร้อมก็เลยอยู่กับล้านสาวสองคนลูกเต่าเขาก็แยกไปมีครอบครัวกันหมดรถทีสงกรานทีเขาถึงจะพาลูกๆมาเยี่ยมมารดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่บ้านวัย84เล่าด้วยเสียงปกติขอประทานโทษโยมมีลูกกี่คนละ่ะส4สครับพระกุณเจ้าผู้หญิงเจ็ดผู้ชายเจ็ดพ่อของนางบุญรูมเป็นคนสุดท้องป้าๆลุงๆเขามาเยี่ยมปู่ทุกปีมีแต่พ่อดิฉันคนเดียวที่ไม่มาจนดิฉันจำหน้าเขาไม่ได้แล้วป่านนี้คงตายแล้วมั้ง หล่อนแช่งส่งไม่ได้โยมพูดอย่างนั้นไม่ได้แช่งชักหักกระดูกบุพการีเช่นนั้นบาปกรรมมากรู้ไหมท่านปรามก็เขาอยากไม่มาหาดิฉันไม่มาหาปู่นิจจ่าหล่อนอ้างเขาอาจมีความจำเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้มาไม่ได้ถ้าโยมอยากให้เขามา ลองสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้เขาสิดิฉันสวดไม่เป็นจะ้ะหลวงพี่สอนได้ั้ยจะ้ะหล่อนถือโอกาสหาทางใกล้ชิดพระหนุ่มเพราะพึงใจในรูปโฉมของท่านอยากให้ท่านศึกหาลาเพศมาสมัครเป็นหลานเขยของปู่การได้วิชาธรรมกายทำให้พระหนุ่มล่วงรู้จิตใจของหล่อนใจหนึ่งก็นึกดูแคลนหากอีกใจก็รู้สึกสงสาร จึงถามปู่ของหล่อนว่าโยมสวดมนต์เป็นหรือเปล่าเป็นครับผมสวดมนต์เก่งมาตั้งแต่ตอนบวชเป็นพระนะโมอิติ ป, ปิโสสวดได้หมดบุรุษวัยแปสิบสี่รีบบอกกรณียะเมตตสูตรละ่ะเคยสวดหรือเปล่าเคยครับแต่ได้เลิกสวดไปนานแล้วเลยจำไม่ได้ถ้าจะสวดอีก คงต้องเปิดหนังสือเจ็ดตำนานดีแล้วถ้าเช่นนั้นโยมช่วยสอนหลานสาวให้สวดด้วยให้ว่าตั้งแต่น้าโมตสระไปจนจบมหาการุณิโกจบแล้วจึงสวดกรณียเมตตสูตรคือสวดบทถวายพรพระกับกรณียเมตตสูตรชเหมครับคนอายุย่าง8ปห้าถามถูกแล้ว พระหนุ่มตอบและจึงพูดกับนางสาวบุญรวมว่าเมื่อสวดเสร็จจึงแผ่เมตตาให้จ้ากรรมในเวรแล้วก็แผ่เมตตาให้พ่อของโยมนะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะคิดถึงและมาหาเราท่านสอนสาวน้อยแต่ถ้าเขาตายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงจ๊ะเขายังไม่ตายหรอก